สังคาทิเศษศิขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีสรงเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนดนิมนต์เถิดแม่เจ้า ชายผู้นั้นจะถวายสิ่งใดเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้เป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำหนัดหรือไม่กำหนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนัดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นั้นจะถวายสิ่งใดเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเคณนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด ในสังคาที่เศษสิขาบทที่หกนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ